บทที่20สแม่หลวงพ่อบรรยายเก่งจังฉันไม่เคยเห็นพระรูปไหนบรรยายเก่งเท่าหลวงพ่อเลยฉันซาบซึ้งจนน้ำตาเกือบจะไหลเสียหลายหนแม่ชีป่วนกล่าวชมท่านพระครูหลังจากทาธุระที่ห้องสุขามาเรียบร้อยแล้วอาตมามีครูอาจารย์ดี อาจารย์ข้องอาตมาสอบได้ป ร, รียญาธรรมประโยก9ก้านะท่านเทศเก่งมากจนได้รับฉายาว่าตู่พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ท่านพระครูยกความดีให้ครูบาอาจารย์แม้ฉันอยากจะรู้จักอาจารย์ของหลวงพ่อเสียแล้วสิอยากรู้ว่าท่านสอนอย่างไรสิทธิ์ถึงได้กเก่งอย่างนี้หลวงพ่อพอจะบอกฉันได้ไหม ถึงบอกแม่ชีก็ไม่รู้จักท่านพระครูคิดว่าแม่ชีคงไม่รู้จักท่านอาจารย์ของท่านถึงไม่รู้จักแต่ฉันก็อยากรู้ไวหลวงพ่อช่วยบอกฉันหนอ่อยเถอะฉันไหว้ละแกก็ยกมือไหว้ปลกปลกรู้ไว้ทำไมสมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มยาวรู้ไว้ใจว่าใส่บาแบกห้ามแม่ชีตอบทันใด ถ้าอย่างนั้นอาตมาก็เห็นจะต้องบอกอาจารย์ของอาตมาก็คือเจ้าคุณโชโดกท่านพระครูบอกคิดว่าอย่างไรเสียแม่ชีก็ต้องไม่รู้จักเจ้าคุณโชโดกยานสิทธิเจ้าคณะห้าวัดมห า, าธาตุใช่ไหมแม่ชีป่วนถามอย่างตื่นเต้นยมรู้จักหรือท่านพระครูรู้สึกผิดหวัง เพราะหวังว่าแม่ชีปวนไม่รู้จักอาจารย์ของท่านยิ่งว่ารู้จักเสียอีกฉันนี่แหละสิ่ก้นกุฏิท่านจุคุณโชดกแม่ชีวัยหกสิบถือโอกาสคุยเอและทำไมอาตมาไม่รู้จักแม่ชีอาตมาไปเรียนกรรมฐานกับท่านจาคุณอาจารย์ตั้งแต่ปี2494รุ่นเดียวกับสมณเณรทองดี แม่ชีรู้จักสมเณรทองดีหรือเปล่าที่ท่านพูดติดอ่างแต่พอเข้าผลสมาบัติได้โรคติดอ่างก็หายวับไปเลยแม่ชีรู้จักไหมสมณเณรทองดีนะ่ะท่านถามอีกจะทองดีหรือทองไม่ดีฉันก็ไม่รู้จักกรอกเพราะฉันเพิ่งเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณเมื่อปีที่แล้วนี่เองแม่ชีพูดไม่เต็มเสียงนัก ถ้าอย่างนั้นก็ห่างกันถึงสาสีปีแม่ชีก็เป็นรุ่นหลานรุ่นหลานเชียวละนึกว่าเป็นรุ่นน้องหรือว่ารุ่นลูกเส้อเองที่แท้เป็นรุ่นหลานภิกษุวัยใกล้หกสิบตั้งใจพูดขม่มงั้นฉันก็ต้องเรียกหลวงพ่อว่าหลวงตาหรือไม่ก็หลวงปู่อย่างนั้นดีไหมแม่ชีเป็นฝ่ายพูดข่มบ้างไม่ดี เพราะแม่ชีแกก่าอาตมาท่านพระครูไม่สู้จะเห็นด้วยหลวงพ่อครับคือว่าผมอยากฟังหลวงพ่อบรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทต่อนะครับโยมเสงิงกราบเรียนด้วยความเกรงใจเป็นที่สุดเขากำลังทราบซึ้งในธรรมที่พระบรมศาสดาทรงพิจารณาลำดับแรกหลังจากตรัสรู้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 ชาติคือความเกิดได้แก่ความปรากฏแห่งขันทั้งหลายหรือการได้อายตนะหลวงพ่อคะเวลาที่เราสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วกรวดน้ำในบทกรวดน้ำตอนเช้ามีตอนหนึ่งที่ว่าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกาเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขัน กำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีหนูเข้าใจคำว่าพบเพราะหลวงพ่ออธิบายแล้วเมื่อสักครู่ว่าพบกับภูเหมือนกันหรือเปล่าคะหนูอยากขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายภูมิที่สกํกำเนิดทั้งสและมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันด้วยคะ่ะนางสาวสายใหญ่รัก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 ส่วนภูมิหมายถึงชั้นแห่งจิตระดับจิตหรือระดับชีวิตภูมิทั้งสามก็ได้แก่กามาวจรภูมิแปลว่าชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามระดับจิตใจที่ยังปรารถนากามเป็นอารมณ์คือยังเกี่ยวข้องกับกามคุณหรือระดับจิตใจของสัตว์ในกามภพทั้ง11ชั้น ที่พระคุณทดอธิบายเมื่อสักครู่นี้แม่ชีกรมภพสิบเอ็ดชั้นมีอะไรบ้างท่านถามแม่ชีปวนจำไม่ได้แล้วจ้ะแม่ชีคนเก่งตอบตรงไปตรงมาอ้าวก็ไหนบอกว่าทราบซึ้งจนน้าตาเกือบจะไหลเสียไหลหนไงล่ะไม่ทันไรจำไม่ได้แล้วท่านพระครูย้าสิทธ์ร่วมสํานัก มีอาบายสีมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกครับอุบาสกผู้หนึ่งตอบเขารู้สึกถูกชะตากับนางสาวสายใหญ่รักคิดว่าการมาสแสวงบุญครั้งนี้ถ้าโชคดีคงจะได้สัตว์สองเท้ากลับไปเป็นแน่ถูกต้องส่วนภูมิที่สองคือรูปาวจรภูมิแปลว่าชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูป ระดับจิตใจที่ปรารบรูปธรรมเป็นอารมณ์หรือระดับจิตใจของท่านผู้ได้ฌานหรือผู้ที่อยู่ในรูปภพทั้ง16ชั้นภูมิที่สามก็คือรูปปาวจรภูมิปรวะวัชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูประดับจิตใจที่ปรารบอรุปธรรมเป็นอารมณ์หรือระดับจิตใจของท่านที่ไดอารูปฌาน หรือผู้อยู่ในอารูปภพทั้งสี่ชั้นภูมิทั้งสาที่กล่าวมานี้เรียกว่าโลกิยภูมินอกจากโลกิยภูมิซึ่งมีสามภูมิแล้วยังมีโลกุตระภูมิซึ่งเป็นภูมิที่สโลกุตระภูมิแปลว่าชั้นที่พ้นจากโลกระดับแห่งโลกุตระธรรมหรือว่าระดับจิตใจของพระอริยะเจ้า อันพ้นแล้วจากโลกิยะภูมิสามข้างตน้นเพราะฉะนั้นภูมิจึงมีสีได้แก่กามาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิอรูปาวาจรภูมิและโลกุตระภูมิแล้วโลกุตระพบมีไหมครับอุบาสกคนเดิมถามอีก โลกุตระพบหม่มีมีแต่โลกุตระภูมิท่านพระครูตอบหลวงพ่อคะกรุณาอธิบายกำเนิดสีกับขันต่อเลยนะคะนางสาวสายใหญ่รักอยากฟังต่อกำเนิดสหรือที่เรียกอีกอย่างว่าโยนิสีโยนิสีสแปลว่าแบบหรือชนิดของการเกิด4ีแบบ ได้แก่ 1. ชลาผู้ชะหมายถึงสัตว์เกิดในคันคือคลอดออกมาเป็นตัวเช่นคนโคสุนัขแมวเป็นต้น 2. อ, อันทชะหมายถึงสัตว์ที่เกิดในไข่คือออกจากไข่เป็นฟองก่อ น, อนแล้วจึงฟักเป็นตัวเช่นนกเป็ดไก่งูเป็นต้น 3. ส, สังเสทชะ ก็หมายถึงสัตว์เกิดในใครคือเกิดในของชื้นแฉะหมักมมเน่าเปื่อยขยายแพร่ออกไปเองเช่นกิมิชาติบางชนิดแม่ชีปวนกำลังเอ่ยปากถามว่ากิมิชาติคืออะไรท่านพระครูก็อธิบายเสียก่อนที่จะถูกถามกิมิชาติแปลว่านอนหรือว่าหมูนอน คงไม่มีใครผู้ใดไม่รู้จักนอนนะแม่ชีป่วนแสนจะทราบซึ้งจริงยิ้มกำเนิดสีแบบสุดท้ายเรียกว่าโอปปาติกะหมายถึงสัตว์เกิดผุดขึ้นคือเกิดผุดเต็มตัวในทันใดก็ได้แก่เทวดาสัตว์นรกและก็เปรตบางพวกซึ่งเกิดและตายไม่ต้องมีเชื้อหรือว่าซากปรากฏ ส่วนสัตว์ที่มีขันห้าขันก็ได้แก่สัตว์ที่เกิดในอบายภูมิสมีนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์กามาวจรสวรรค์หกรูปาวจรภูมิตั้งแต่ภูมิที่หนึ่งถึงส0แล้วก็ภูมิที่12ถึง16คือเว้นภูมิที่11อที่เรียกว่าอาสันยีสัตว์เพราะฉะนั้น สัตว์ที่มีขันห้าขันจึงมี26ภูมิส่วนสัตว์ที่มีขันขันเดียวก็คืออสัญญีสัตว์ซึ่งมีแต่รูปขันไม่มีนามขันและสุดท้ายสัตว์ที่มีขันสี่ขันก็ได้แก่รูปาวจรภูมิสรวมเป็นสาอภูมิพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าสัตว์ใน31อภูมิแยกตามขันได้ เป็นสามประเภทได้แก่ประเภทที่มีห้าขันสี่ขันและขันเดียวตามลำดับสรุปจำแนกแยกประเภทก็จะเป็นขันสามพบสามภูมิ4ชั้นรูปาวจรภูมิคือชั้นของพวกรูปภมิซึ่งมี16ชั้นและชั้นอรูปาวจรภูมิคือชั้นของพวกอรูปรมูม ซึ่งมีสี่ชั้นใช่ไหมครับอุบาสกคนหนึ่งถามโยมเซ้งว่าใช่หรือเปล่าท่านพระครูถามโยมเส้งใช่จ้ะแม่ชีป่วนชิงตอบจึงถูกหลวงพ่อวัดดอนเมืองเยา ว, ว่าอออแม่ชีชื่อเซ้ง ห, หรืออาตมานึกว่าชื่อปันป่วนฉันชื่อป่วนเฉ ย, เฉย ่วนปันเป็นฉายาที่ท่านเจ้าคุณตั้งให้แม่ชีปวนตอบเงอนๆงอนทำให้บรรยากาศคลื้นเครงไม่เครง่งเครียดท่านพระครูจึงเย้งว่าอาตมาเพ่งรู้ว่าเป็นชีก็ต้องมีฉายาเหมือนกันนึกว่ามีแต่พระยังอาตมาเนี่ยเป็นพระมีฉายาว่าทิตะธรรมโมแปลว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรม แล้วฉายาแม่ชีปแปลว่าอะไรล่ะฉันไม่รู้ถ้าท่านอยากรู้ก็ให้ไปถามท่านเจ้าคุณเอาเองแม่ชีตอบงอนๆ อ, อีกนางสาวสายใายรักผู้ซึ่งตั้งใจมาตักตวงความรู้จึงได้พูดขึ้นว่าหนูขอนิมนหลงพ่อบรรยายต่อข้อสิบสองค่ะเลยถูกแม่ชีป่วนค้อนงามๆสามวงซ้อน ข้อที่สิบสองซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือชารามร ะ, ระนแปลว่าความแก่และความตายชาราคือความเสื่อมอายุความงอมแห่งอินทรีย์ที่เราเรียกกันว่าความแก่ไม่มีใครอยากแกแต่ก็ต้องแกอย่างแม่ชีนี่ก็ถือว่าแกที่สุดในบรรดาอุบาสิกาที่นั่งอยู่นาทีนี้ ท่านพระครูเย้าแม่ชีป่วนอีกท่านอย่าพูดซี่ซั่วแม่ชีป่วนต่อว่าหน้างอเป็นม้าหมากักกรุอารมณ์ซาบซึ้งชื่นบานเมื่อครู่ละเหยไปหมดไม่มีเหลือความจริงอุบาสิกาที่แก่ที่สุดก็คือโยมผ่องไสเอก่อนไหนโยมบอกว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณโชดกเห็นจะไม่จริงกระมัง เพราะถาจริงโยมก็ไม่แสดงอาการกโกรธขึ้นออกมาจะกําหนดกโกรธนอโกรธน้อแทนคราวนี้ท่านพระครูพูดยั่วฉันไม่ได้โกรธแต่ฉันไม่พอใจที่ท่านพูดซีสัวแม่ชีย้อนอาตมาพูดซีสัวอย่างไรก็ท่านมาว่าฉันแก่อาตมาไม่ได้ว่า ก็โยมแก่จริงๆอาตมาเองก่อแก่หลวงพ่อวัดดอนเมืองก่อแก่ใครๆนั่งอยู่ในที่นี้ก่อแก่ด้วยกันทั้งนั้นจริงไหมไม่จริงครับโยมสายยายรักยังไม่แก่ยังสาวและสวยอุบาสกที่หมายตาอุบาสิกาอายุน้อยที่สุดถือโอกาสพูดเกี้ยวต่อหน้าทารกกำนัน ว่าสาวเจ้ากลับไม่ยินดียินร้ายเพราะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะครองโสดอยู่อย่างนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ท่านพระครูรู้ความคิดของอุบาสิกาสาวจึงเทศด้วยปรมตถธรรมทำไมจะไม่แก อาตมาไม่ได้พูดซีโซวยอย่างที่แม่ชี้ว่าแต่อาตมาพูดความจริงคือทุกคนในที่นี้ต่างก่ะแก่ด้วยกันทั้งนั้นไม่แก่จะคลอดออกมาจากท้องแม่หรืออยู่ในท้องแม่ได้สิบเดือนพอทวนกำหนดทศสม้ก็คลอดออกมาเพราะแก่เกินกว่าจะอยู่ในท้องแม่ต่อไปได้อีกที่เขาเรียกว่าท้องแกไงละ่ะ แม่ชีเคยท้องแก่ไหมแม่ชีป่วนรีบรับว่าเคยจะลุงพ่อฉันเคยท้องแก่ตั้งสิบหนถ้าไม่บังคับพ่ออีนูให้ทํามันฉันก็คงท้องแก่ถึงยี่สิบหนแน่เลยแม่ชีป่วนอวดความสามารถในการเป็นแม่พันของตนแล้วทีนี้ยอมรับหรือยังว่าแก่ อาตมาพูดซีซัวหรือเปล่าแม่ชีเปลี่ยนจากหน้ารวยรื่นมาเป็นหน้าหงิดงองอีกวาระหนึ่งตอบเสียงสะบัดสบัว่ายอมรับก็ได้ถึงหลวงพ่อจะพูดซีซัวฉันก็ยอมรับได้แล้วก็จะพยายามไม่โกรธเพราะไหนไหนก็เป็นสิทธิสํานักเดียวกันได้ยั่วแม่ชีพอหอมปากหอมคอแล้ว สมภารวัดป่ามะม่วงจึงบรรยายต่อเพราะรู้ว่าโยมเสงียงกับนางสาวสายยายรักกรอฟังอยู่ชารากับมรณะเป็นของคู่กันเพราะเมื่อมีความแก่ก็ต้องตามมาด้วยความตายมรณะหมายถึงความสลายแห่งขันหรือความขาดสิ้นชีวิตตินซีหลวงพ่อคะความสลายแห่งขันหนูพอจะเข้าใจ แต่ความขาดสิ้นชีวิตตินซีหนูยังไม่เข้าใจขอความการุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายขยายความได้ไหมคะเสียงใสๆของนางสาวสายใหญ่รักดังขึ้นอีกท่านพระกรรจึงอธิบายว่าชีวิตตินซีเป็นคำสนทิมาจากชีวิตสนทิกับอินซีชีวิตมาจากคำบาลีว่าชีวติ แปลว่าเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ดำรงชีพอยู่แปลง่ายๆว่าความเป็นอยู่ส่วนอินรีแปลว่าความเป็นใหญ่สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตนหรือทมที่เป็นเจ้าการในการทำหน้าที่อย่างหนึง่งอย่างหนึ่งเช่นตาเป็นใหญ่หรือว่าเป็นเจ้าการในการเห็น ก็เป็นจากขุนซีมาจากจากักขุที่แปลว่าตาสนทิกับอินรีหูเป็นใหญ่ในการได้ยินก็เป็นโซตินซีมาจากโซที่แปลว่าหูสนทิกับอินรีศรัทธาเป็นเจ้าการในการครอบงามเสียซึ่งความไรศรัทธาก็เป็นสัตทินซีมาจากศรัทธาสนทิกับอินรี เป็นต้นดังนั้นชีวิตตินสีจึงหมายถึงสภาวะที่เป็นใหญ่ในการตามรักษาธรรมที่เกิดร่วมด้วยดุดน้ำหล่อเลี้ยงดอกบัวอาตมาจะอธิบายการแสดงกระบวนการช่วงกว้างระหว่างชีวิตต่อชีวิตแบบข้ามภพข้ามชาติโดยย่อเพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท โดยเริ่มจากข้อแรกคืออวิชชาบางท่านอาจสงสัยว่าอาวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาอาวิชชาเกิดขึ้นลอยๆอยโดยไม่มีเหตุอย่างนั้นหรือแม่ชีป่วนพูดขึ้นเพราะได้ยินได้ฟังมาจากท่านเจ้าคุณโชดกจนจำได้แม้จะไม่เข้าใจก็ตามดีมาก แม่ชีตอบดีมากท่านพระครูชมเป็นเหตุให้แม่ชีปวดหน้าบานเป็นจานเชิงสมภานวัดป่ามะม่วงรู้ว่าหากท่านถามต่อแม่ชีจะตอบไม่ได้แล้วหน้าที่บานเป็นจานเชิงก็จะหุบกลายเป็นหน้าตูมตามเดิมจึงไม่ถามอาสจจวะคือกิเลส ท, ที่หมักหม ม, มหรือดองอยู่ในสันดาน ไหลซึมซ้านย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆมีสามอย่างได้แก่กามาสวะอสวะคือกามภาวาสวะอสวะคือภพและอวิชชาสวะอสวะคือความใหม่รู้แล้วจึงอธิบายกระบวนการเกิดตามลําดับว่าอาสวะทำให้เกิดอวิชชาคือความใหม่รู้ ความหลงเข้าใจผิดเช่นเข้าใจว่าการเกิดในสวรรค์เป็นบรมสุขจึงเกิดสังขารคือนึกคิดตั้งเจตจำนงไปตามความเข้าใจนั้นๆมีการลงมือกระทํากรรมต่างๆดีบ้างชั่วบ้างจึงเกิดวิญญาณคือเกิดปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นในภพที่เหมาะสมกับกรรมที่เคยทำเอาไว้ จากนั้นนามรูปคือกระบวนการแห่งการเกิดก่อดำเนินต่อไปก่อรูปเป็นชีวิตพร้อมที่จะปรุงแต่งกระทำกรรมต่างๆ ต, ต, ต่อไปอีกจึงมีรูปขันและนามขันครบถ้วนมีสลายัตนะคืออยตนะหกกได้แก่ตาหูจมูกกลิ้นกายใจเพื่อใช้ติดต่อกับโลกภายนอก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 ต่อจากนั้นตัญหาคือความทยานอยากจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นสุขเวทนาที่เรียกว่าการมตัญหาหรือภวะตัญหาถ้าเกิดทุกขเวทนาก็อยากจะหลีกหนีไปเหตุผลก็เป็นวิภวะตัญหาเมื่อความทยานอยากรุนแรงขึ้นก็กลายเป็นอุปท า, านคือความยึดมั่นถือมั่น เช่นการยึดติดในความอร็สอร่อยของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จัดเป็นกามุปาทานเป็นต้นจากนั้นพบคือเจตจำนงที่จะกระทำการเพื่อให้ไดมาตามความยึดมัน่นจึงทำให้เกิดกระบวนพฤติกรรมที่เรียกว่ากรรมภพเกิดอีกเป็นกรรมดีกรรมชั่วหรือว่ากรรมกลาง สอดคล้องกับตัณหาอุปทานนั้นๆเป็นการเตรียมภาวะแห่งชีวิตที่จะปรากฏในภพต่อไปเมื่อกระบวนการก่อกรรมกำเนิดไปเช่นนี้แล้วครั้นชีวิตช่วงหนึ่งสิ้นสุดลงพลังกรรมที่สั่งสมไว้ก็จะผลักดันให้เกิดการสืบต่อขั้นตอนต่อไปในวงจรคือชาติเริ่มแต่ปฏิสนธิวิญญาณ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 และเมื่อมีการเกิดขึ้นอีกก็ย่อมเป็นการแน่นอนจะต้องมีชารามรณนะคือความเสื่อมโทรมและก็แตกดับแห่งกระบวนการของชีวิตนั้นและเนื่องด้วยยังมีอวิชาตัญหาอุปทานวงจรแห่งชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปเที่ยวเรียกว่าวัตตสงสารหรือสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิด โดยมีพลังกรรมเป็นตัวผลักดันชารามรณะจึงพ่วงมาพร้อมด้วยความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจสึ่งเรียกรวมว่าความทุกข์จะเกิดประสมโรงเมื่อผู้นั้นมีชีวิตเป็นอะไรอยู่คำสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีว่ากองทุกทั้งปวง จึงเกิดมีด้วยอาการอย่างนี้ดังพระบาลีว่าเอวะเมตตะเอวะเมตตะเกวะลัสะทุกขคันทัศะสมุทโยโหติเอวังก็มีด้วยประการชะนนี้ท่านพระครูบรรยายจบลงด้วยสำนวนเทศผู้ฟังต่างยกมือขึ้นสาธุ หลวงพ่อคะปฏิจจสมุปบาทยากจังเลยนะคะหนูเข้าใจแค่ 50% เอร์เซนเองแต่ก็ยอมรับว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากและคงสำคัญมากพระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาเป็นลำดับแรกและในสัปดาห์แรกของการตรัสรู้นางสาวสายยายรักเอ่อยขึ้นโยมเสียงประเมินตัวเองว่าสามารถเข้าใจได้พอๆกับนางสาวสายยายรักหากก็มากกว่า ก็ไม่เกิน 5% เปอร์เซนเจ้าอวาดวัดป่ามะม่วงจึงย้ำให้เห็นความสําคัญของปฏิจจสมุปบาทว่าความสําคัญของปฏิจจสมุปบาทเห็นได้จากพระพุทธวจนะซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ส2องที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นยอมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรม ผูนั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทคําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ปรากฏในปีดกทั้งสคือในพระวินัยปิดกอยู่ในเล่มที่สข้อที่หนึ่งพระสุตตันตปิดกอยู่เล่มที่16ข้อที่หนึ่งและในพระอภิธรรมปิดกอยู่เล่มที่35ข้อที่274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 พระอริยะผู้มีปัญญาชำรก่กิเลสก็ได้ผู้อยู่ชิดประตูอมตะก็ได้สมณะหรือพรามเหล่าได้เหล่านึงรู้จักธรรมเหล่านี้รู้จักเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านี้รู้จักทางดำเนินถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้สมณะหรือพรามเหล่านั้นแลจึงควรแก่การยอมรับว่า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 พูดเกินความจริงเพราะแกเข้าใจไม่ถึงร้อยละยี่สิบแต่ต้องการข่มนางสาวสายใหญ่รักและโยมเสงอาตมายังเชื่อไม่ได้พระอานนท์ท่านเป็นพระโสดาบันยังเข้าใจปฏิจจสมุปบาทไม่แจ่มแจ้งแต่ท่านคิดว่าเข้าใจแจ่มแจ้งดังมีหลักฐานแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่16เช่นกัน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 ก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธองค์ตรัสเตือนว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นอานอน์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งและปรากฏเป็นของลึกซึง้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละหมู่สัตว์นี้จึงวุ่นวาย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 สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็อพอแม่ชีป่วนยอมลดความเข้าใจอย่างว่าง่ายถ้าพูดอย่างนี้อาตมาเชื่อได้เอาละมันจเจริญพระกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นอาตมาขอฝากพระคุณเจ้าและญาติโยมที่นั่งณที่นี้ว่าอย่าได้ทิ้งการปฏิบัติเพราะการเป็นชาวพุทธแท้ จะต้องปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมาฐานหากไม่ปฏิบัติเราจะไม่สามารถรักษาพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้